ตอนนี้ไปซพ่งพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีใจมันจะตั้งได้ดีก็อาศัยสตินี้แหละแล้วลึกเข้าไปในกายนูน่นไปควบคุมจิตไว้อย่าให้มันสุดคิดส่งออกไปข้างนอก จิตนี้ถ้าหากว่าขาดสติควบคุมแล้วมันจะไม่อยู่เลยมันจะคิดส่งสายไปตามที่มันต้องการมันอยากได้อันใดมันก็จะคิดส่งไปหาสิ่งที่มันอยากได้นั่นแหละมันยึดถือสิ่งใดไว้มันก็จะปรุงแต่งไปหาสิ่งนั่นแหละ บัดนี้เรามาห้ามจิตนี้ไม่ให้มันปรุงแต่งไปให้มันละความยึดถืออันนั้นเพราะว่าการไปยึดถืออยู่ภายนอกนั่นมันเป็นทุกข์เพราไปยึดถือของไม่เที่ยงบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายหมู่นี้มันกระลวนเจ้ของไม่เที่ยงทั้งนั้น แต่เมื่อบุคคลหลงแล้วมันก็ไปยึดถือมันสำคัญว่าเป็นของสวยงามบ้างสําคัญว่าเป็นของสมควรแก่ตนจะพึ่งบริโภคใช้สอยบ้างมันเข้าใจไปอย่างนั้นก็จึงมีจิตผูกพันไม่ยอมสงบอยู่ภายใน บ, บัดนี้เรามารู้มาเห็นโทษแห่งความยึดถือนั้นว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์เพราะว่าไปยึดถือไปแล้วมันก็ไม่ได้ตามใจหวังเพราะความคิดของคนเรานี่นะไปเห็นคนอื่นเขามีสมบัติมากๆอย่างนี้นะมันก็คิดอยากได้ สมบัติของเขาถ้าเป็นคนหนุ่มชนีมันก็คิดว่าเอ้บ้านนี่ลูกสาวมีหรือไม่เนะืะทำยังไงเราจะได้เป็นลูกเขยเขามันจะวิตกไปอย่างนั้นแหละหรือว่าถ้ามันวิตกเป็นอกุศลยิ่งกลัวนัาน มันก็จะต้องวางแผนที่ปล้นเอาหลอกลวงเอาหรืออะไรหมดแล้วนะมันคิดไปได้จิตใจคนเรานี่นะแต่คิดไปได้แล้วแต่มันทำไม่ได้เช่นอย่างเป็นนักบวชอย่างนี้แหละถ้าไม่สำรวมจิตแล้วมันจะคิดไปทั่วแหละปัญหามันจูงเอา มันจะปรุงแต่งไปทั่วดังกล่าวมานั่นแหละลูกสาวของใครสวยสงามเอา้ามันหมายตาไว้มันนั่งภาวนาเลยมันก็เพ่งไปหาแต่ลูกสาวเขานั่นปรุงแต่งทำยังไงเราจึงจะไดะ้บางคนมันก็ยึด ไว้แต่เป็นครือข่าตุน่นมันหมายไวล้ลวเมื่อเข้ามาบวชนั่งภาวนาไปมานตัวนั้นมาก็มาโดนใจอีกทำให้ปรุงแต่งป้ายอันนี้ได้คือว่ามันเป็นมานมันหลอกลวงจิตใจนี้ให้หลงไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรต้องพิจารณาให้มันเห็น เพราะว่าตนเป็นนักบวชโยเรื่องอะไรล่ะยังที่ไปแต่งงานกับผู้หญิงอยู่ในบ้านนู่นในใจมันไปแต่งงานแล้วแต่กายไม่ได้ไปอย่างนี้ก็มีนะบางพระบางรูปบางร่างเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจไว้ให้สำรวมไว้ ไม่ว่าพระไม่ว่าครือหัดแหละผู้ใดไม่สำรวมจิตแล้วครือหัดบางคนมีเมียอยู่แล้วมันก็ยังไปคิดไปถึงยิงอื่นอ่ามันไปเห็นคนอื่นสวยกลัวเมียของตัวอา้าวก็อยากได้คิดอยู่นั่นแหละพยายามนั่นแหละสาเหตุที่มันจะประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมคนเราอ่ะ เพราะมันสำรวมจิตไม่ได้มันรู้อำนาจแก่สันหามันยอมให้สัญหาจูงไปตามประสงค์ของมันไม่ไปผูกพันกับหญิงอื่นเข้าไปเอาภรรยาตนรู้เข้าก็าเกิดต่อรลาะต่อเทียงกันทะเลาะวิวาดกันถึงขั้นลงไม้ลงมือตบตีกันไป บางลายก็ฆ่ากันตายถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็อย่าร้างกันไปทำครอบครอบครัวนั้นให้พังพินาศลงอ่าสามีนี้ไปมีภรรยาเอินพิงให้เมียเลี้ยงลูกอ ย, ลอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง นี่มันแสนทุกข์ทรมารขนาดไหนละ่ะโทษแห่งการมเมสตุนิชฌาจารย์นะ่ะมันก่อทุกข์ให้แก่กันและกันทั้งในปัจจุบันนี่แหละเมื่อก่อทุกข์ให้แก่กันในปัจจุบันนี้แล้วซึ่งมันจะไม่ได้สเสวยผลคือความทุกข์ไปในโลกหน้านะไม่มีเมื่อไปก่อทุกข์ขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วทุกนี้มันก็ต้องติดตามไป แน่นอนทีเดียวอ่ะแม้เป็นนักบวชก็เหมือนกันอย่าไปว่าบาปทางใจไม่มีนะมีกรารมาฉันทะนิวรณนนะ่ะมันก็บาปทางใจแหละมันวิตกไปในกามคุณนะ่ะอย่าไปเข้าใจว่าไม่เป็นบาป ถ้ามันไม่เป็นบาปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เพียรละนิวรเหล่านี้ก็บาปหละมันมาน่วงเหนียวชีวิตของคนเราให้ตกค้างอยู่ในโลกอันเนี้ยหรือให้ไปสู่นรกอบบาภัยภูมิใดๆก็ดีก็มีแต่บาปทั้งนั้นแหละถ้าบาปอย่างกลางนี่มันก็เพียงแค่ให้ วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เพราะมันลำพังในความคิดเฉยๆมันไม่ได้ลงมือทำด้วยกายด้วยวาจามันก็ทำให้จิตใจคลองอยู่ในโลกนี้เมื่อละจากร่างอันนี้ไปแล้วจะไปสู่โลกอื่นเข้าไปไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตใจมันผูกพันอยู่กับโลกอันนี้มันก็เป็นบาปอันหนึ่งให้เข้าใจ เพราะการมาปลูกพันุ์อยู่กับโลกอนี่มันเป็นทุกข์เหมือนอยังโบราณท่านว่าไว้คนร่ำรวยแต่ก่อนนี่เงินก็เป็นเงินแท้ๆเป็นโลหะธาตุจริงๆมีเงินมากเข้าไปแล้วกลัวลูกหลานจะมาขอแบ่งเอาบ้างกลัวโจรขโมยจะมาลักมาจี้เอาบ้าง ก็เอาใส่ไหายผ น, นึกปิดปากไหยให้ดีๆล่ะไปขุดหลุมฝังไว้ในที่คิดว่าปลอดภัยแหละแม้แต่ลูกหลานก็ไม่ให้รู้เลยและนี่พอฝังทรัพย์นั้นไว้ในดีนั่นแล้วต่อไปจิตใจมันก็นึกถึงทรัพย์นั้นอยู่ไว้บ่อยห่วงมันกลัวมันจะสูญจะหาย ต้องที่ยวไปดูอยู่เสมอข้าที่ตนไม่ได้สมรวมจิตไ ม, ไ, ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกกรรมาฐานอะไรเลยอย่างนี้นะมันก็หลงเมาไปกับของไม่เที่ยงนั่นปล่อยใจให้ไปผูกพันอยู่อย่างนั้นเมื่อเวลาเจ็บหนักลงเกลนจะตายจิตมันก็ไม่ไปไหนแล้วแบบนี้มันก็เพ่งเวหาตั้งแต่หลุมซับนั่นแหละ พอตายลงอันนี้จิตออกจากร่างอันนี้ไปแล้วมันจะไปไหนล่ะฮะนี่มันก็ไปวกเวียนอยู่ในขุมทัพนั่นนะี่บางพีก็ไปเกิดเป็นงูอไปเกิดเป็นหนูเฝ้าขุมทรัพนั่นอยู่นั่นแหละเหมือนอย่างในอดีตการท่านกล่าวไว้ว่า มีเศรษฐีสกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมานี่อยู่มากก็เอาทรัพย์สินเงินทองฝังไว้ในใต้ถุนบ้านตัวเองนั่นแหละ ท่านต่อมาเมื่อหมดอายุสังขารลงจิตใจไปผูกพันอยู่กับขุมทรัพย์อันนั้นตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นหนูเฝ้าทรัพย์อยู่อย่างนั้นแหละมันนี่บรรดาพวกแสวงหาทรัพย์สินยุ่ในดินสินในน้ำก็พากันไปคุยเคีย หาทรัพย์ในดินสินในน้ำซึ่งเป็นบ้านเศรษฐีเก่ามันลกร้างไปในตำราทา่านกล่าวว่าช่างเป็นช่างแก้วมณีงั้นคือว่าช่างเยระนายแก้วนั่นแหละก็ไปเที่ยวคุยเขียหาแก้วมนั่นแหละมาในหนูอ่ะหนูตัวนั่น มันก็อดอาหารไม่ทราบว่าสัตว์กับคนพูดกันได้อย่างไรในสมัยนั้นหนูตัวนั้นก็มาหาช่างแก้วคาบเอาเงินมาให้ช่างแก้วแล้วหนูนั้นพูดว่าขอให้เอาเงินนี่ไปใช้สอยเสีย แล้วให้ซื้ออาหารมาให้ข้าพเจ้าด้วยในช่างแก้วนั้นคนซื้อเนี่ยสมัยก่อนได้เงินจากหนูแล้วก็เอาไปซื้ออาหารมาให้หนูบ้างตัวเองก็แบ่งเอาไว้ใช้บ้างหนูตัวนั้นก็เลยพลอยได้กินอาหารกับช่างแก้วนั้น เลยคาบเงินมาให้ทางแก้วทุกวันทุกวันมานี้ก็ยังมีแมวตัวหนึ่งมีแมวสี่ตัวไปคอยดักจับหนูตัวนั้นช้างแก้วเห็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอา กระจกแก้วนั่นนะ่ยมาทำเป็นโพรงแล้วให้หนูเข้าไปอยู่ในโพรงนั้นปิดให้ดีมานี่ไอ้เจ้าแมวมันมามันก็เห็นหนูมองไม่เห็นไอ้กระจกแก้วอันนั้นนะก็วิ่งเข้ามากระโดด ตะคูบหนูอ่ะมันก็มาโดนเอาแก้วที่นายช่างทำเป็นคมไว้ก็เลยตายไปแมวตัวหนึ่งฮะนะเอาตัวที่สองมาเห็นเข้ากระโจนเข้าไปอีกก็ไปตายอีกตัวที่สามที่สี่ก็เหมือนกันนะเลตายหมด มันให้หนูนั้นมันได้รับความอุปการะจากนายช่างแก้วนั่นมันเห็นคุณของช่างแก้วหนูมันก็เลยบอกพี่ฝังทรัพย์ตั้งแต่ก่อนเข้าไปเจ้าเป็นสิทธ์ีสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แล้วเอาทรัพย์ฝังไว้ใต้ถุนบ้านนี้อ่ขอให้ท่านขุดลงเอาตรงนี้แหละจะเจอขุมทรัพย์เออจะเจอหาย ใส่เงินใส่ทองใส่แก้วมากมายทีเดียวช่างแก้วแนละ้วมันก็ขุดลงไปก็ไปเห็นเงินเห็นทองอยู่ในหาย อ, อยู่ในหลุมนั่นจริงๆช่างแก้วคนนั้นก็เลยร่ำรวยขึ้นมาถ้าย ไ, ได้เป็นเศรษฐีอันนี้แหละ คนเรานี่นะเมื่อไม่รู้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะมันหลงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอจิตใจไปผูกพันอยู่นั่นตายแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดที่ดีถึงสุขเลยเงินทองที่มีมากมายกายกองนั่นก็เลยไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าของเลย นามิซํายังก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองได้ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งห์เดรัจฉานอยู่ในช่างแก้วนั้นเมื่อเขาร่ํารวยขึ้นมาอังนั้นเขาก็ได้ทําบุญกุศลแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้แก่เจ้าของทรัพย์นั่นไปบางทีเจ้าของทรัพย์นั้นได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลแล้วก็อาจจะพ้นจาก สัตสิ่งเดรั้านจากเปรตจากผีอะไรหมูนั้นแหละเพราะว่าธรรมดาคนในบ้านหนึ่งๆ น, นี้มันก็คงมีหลายคนอ่ะไม่ใช่คนเดียวอ่ะจะตายเป็นเปรตเป็นผีอยู่ก็ได้ เ, เช่นนี้แลพษษระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่น ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้รู้จักห้ามจิตของตนอย่าให้มันไปผูกพันกับสิ่งใด้ในโลกนี้อย่าให้มันสําคัญว่าสิ่งนั้นเป็นของของเราสิ่งนี้เป็นของของเราเมื่อมันไปสําคัญหมายมันอยู่นั่นจิตใจมันก็ผูกพันอยู่แต่ผูกพันแล้วมันไม่ได้ มันไม่ได้รับความสุขกับสิ่งที่ตนผูกพันนั่นอย่างที่เล่ามาแล้วนั่นนี่เมื่อตายเป็นผีไปแล้วอย่างนี้จะเอาเงินทองแล้วไปใช้จ่าย ใ, ในเมืองผีก็ไม่มีไม่มีร้านค้าร้านขายอะไรที่จะไปซื้อเอาในเมืองผีแล้วไม่มีหรอกอืมถ้าตายไปเป็นสัตว์สิ่งเดรฉ า, านไปเฝ้าอยู่ก็เฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละ เงินทองนั้นมันจะเอาเงินทองนั้นไปใช้จ่ายซื้ออาหารมาเลี้ยงตัวเองก็ไม่ได้เหมือนอย่างหนูตัวนั้นน่ยถ้าหากว่าไม่พบช่างแก้วมณีนั่นมันก็จะไม่ได้ใช้จ่ายเงินอ น, นั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตัวหนูเลยไม่ได้เห็นช่างแก้วมณีนั่นแล้ว บางเอื้อนทางนันกใจบุญซื้อสัตว์หนูบอกเงินให้ที่ซ่อนเงินให้แล้วได้เงินแล้วก็ยังไปซื้ออาหารมาให้หนูกินน้ำมีซ่ำก็ยังทำบุญกุศลแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลให้ด้วยเช่นนี้นะคนเรานะ่มันหลงเป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นให้พากันเห็นโทษ ของความไม่สำรวมจิตของตนว่ามันเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษจริงๆแล้วมันนามิทํำกับอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเลเป็นเศรษฐีแ้้ก็ยังหวงแหนเงินทองเข้าของไม่สามารถที่จะจำแนกเกลยทานได้เลยสมบัติมากมายมหาศาลอย่างนั้นน่ะ หวงไว้กลัวมันจะหมดจะสิ้นไปตายแล้วก็ไปเกิดเป็นหนูเฝ้าอยู่เฉยๆเงินทองเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงตรัส้วยว่าตัณหาหนึ่งมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งทำให้สัตว์เนิ่นช้าเหมนว่าหมายความว่าผู้ใด ยึดถือเอาสันหามานะทิฏฐิเหล่านี้เข้าไว้ในใจแล้วก็มันจะไม่ไปสู่สวรรค์นิพพานได้เลยก็จะวกเวียนอยู่ในโลกอันนี้หรืออยู่ในยมวมโลกโลกแห่งพยายมได้แก่นรกอับายภูมินั่นแหละถ้าถ้าจิตมันไปสั่งสมบาปไว้อย่างนี้มันก็ไปเกิดในสำนักจมพะบาล น, นั่นเลย ไปเกิดในยมโลกมไม่ไปตกนรกก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าไม่ได้ทำบาปถึงขั้นนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ทำบุญมากอย่างนี้ก็มาเกิดเป็นคนทุกคนจนเป็นคนไม่มีสติปัญญา มีทรัพย์สมบัติอะไรมาแล้วก็มีแต่หวงหวงอยู่อย่างนั้นแหละเพราะเคยฝึกจิตใจของตนมาอย่างนั้นอา้าบางคนก็รักลูกรักหลานเกินขอบเขตแต่เวลา ย, ยังมีชีวิตพึกจิตใจตัวเองให้น้อมไปผูกพันอยู่กับลูกกับหลานอา้าวเกิดไปชาติใดมีลูกมีหลานมาก็รักลูกรักหลาน จิตใจผูกพันอยู่นั่นแหละจะไปวัดวาจะทำบุญกุศลอะไรกับเขาก็ไม่ได้มัวแต่เฝ้าลูกเฝ้าหลานให้ลูกสาวลูกชายของตัวเองน่าทุเลศ จ, จริงๆนะมีมีแท้ๆบางคนบางพวกในโลกอันเนี้ย <c oughs> นี่ชีโทษแทงความไม่สำรวมจิตให้ฟังกัน มันเป็นอย่างนี้แหละก็ยังมีโทษอยู่หลายสิ่งหลายประการกวนนี้อีกไปทำเลยไอ้ที่บุคคลไม่สำรวมจิตไม่รักษาจิตตัวเองนะ่ะมันก่อทุกข์ก่อยากให้สารพัดสารเพดังนั้นพระศาสดาจึงแนะอุบายฝึกฝนอบรมจิตใจให้ ในขั้นต้นนี่ถ้านเลวะสมถะกรรมฐานกรรมฐานอันเป็นอุบายทําใจให้สงบอเช่นอย่างการที่ทรงสอนให้เพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่อย่างนี้นะก็แสดงว่าทรงสอนให้มีสติระลึกระลึกเข้ามาหากายนี่ระลึกเข้ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่ จิตมันก็จะไม่พุ่งออกไปข้างนอกความหมายน่ะมันจะแพ่งอยู่ภายในนี่มันก็ส ง, งบอยู่ภายในนี่แพ่งดูไปเพ่งดูมามันก็จะเห็นร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยสิ่งโสโครโกโสกโปก ต่งตางๆนานาเช่นเพ่งดูกระเพาะอาหารเมื่อก็เต็มด้วยอาหารเก่าอาหารใหม่อย่างนี้แหละเพ่งดูเนื้อเพ่งดูเส้นเอ็นมันก็เต็มไปด้วยเลือดอน้ำโลหิตขาวโลหิตเหลืองโลหิตแดงไหลสาบซ่านอยู่ในร่างกายอันนี้นะ เพราะฉะนั้นเมื่อมีดพลาถูกเข้าไปเลือดมันก็นไหลออกมาเลยถ้ามันไหลออกมามากทรงกินคาวคุ้งไปแล้วคนยังไม่ตาย้องคิดดูไอ้เลือดนี่แหละเมื่อมันไหลสั้นอยู่ทั่วร่างกายนี่แหละมันก็ทำให้ผิวพันธุ์นิผุดผ่องทำให้เกิด ผิวพรรณมีน้ำมีนวลขึ้นมาเอดูร่างกายในเปล่งปลั่งสีแดงแก้มเหลืองเมื่อคนหนึ่งเห็นเข้าไปแล้วอย่างนี้แหมคนนี่สวยจังพรอว่าผิวพรรณวันละอะไดก็เปล่งปั่งดีที่แท้แล้วก็เลือดต่างห่างนะ น, น้ำสีของเลือดเน่ย มันไหลซ่านไปตามหนังเนี่ยมันก็ทําให้หนังนี่เกิดเป็นสีเปล่งปรังขึ้นมาเท่านั้นเองเนะไม่ใช่อะไรอื่นหรอกผิวพรรณวันหน้าของคนเรานี่นะต้องเพ่งดูให้มันถึงความจริงเราจะได้หายสงสัยอันมองดูแต่ผิวนอกเนี่ยรู้สึกว่าเปลง่งปังดีนิ่มน้ํามีน้ํามีนวล แล้วเห็นเข้าแล้วก็เลยแหมสวยจังรูปเนี่ยอย่างนี้นะแต่พราะไม่ได้เพ่งพี่นาเข้าไปให้ถึงความจริงมันนะถ้าเพ่งเข้าไปถึงต้นตอมันแล้วเออมันมันจะถือเป็นเรื่องธรรมดาไปไม่เห็นว่ามันสวยงามอะไรเพราะว่าสีต่างๆเสียงต่างๆมันก็อาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เองนะ เกิดเป็นสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองอะไรขึ้นมา อ, อาศัยอาศัยธาตุดินธาตุน้ำนี่แหละเนี่ยก็เลือดนี่ก็ธาตุน้ำเลยหนังก็ดีเนื้อก็ดีก็ธาตุดินเนี่ยธาตุน้ำมันก็ไหลซึมอยู่ตามธาตุดินเนี่ยมีเท่านี้ร่างกายของคนเรา ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เพ่งดูร่างกายภายในนี่ก็เพื่อที่จะให้เห็นความจริงของร่างกายนี่เมื่อเห็นแล้วมันก็จะคลายความรักความใคร่ออกจากจิตใจเพราะมันมองเห็นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องมีสาระแก่นสารอะไระไม่ใช่เป็นของสวยของงามอะไรเลยอลองคิดดู หากว่าปล่อยไว้สะเก็ดวันแล้วไม่อาบน้ำำําชําระลองดูร่างร่างกายอันเนี้ยทํางานหนักหรือว่าไปถูกแดดเข้าเหงือ่อไค่ไหลออกมาอติดอยู่ตามขุมขนมูนี่ไหลออกมาติดอยู่ตามผ้านุ่งผ้าห่มมูนี่ผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ต้องซักฟอกลงสะเก็ดวันลองดูมันจะส่งกลิ่นเหม็นออกมาเลยอะในร่างกายของคนเราเนี่ย อนี่แหละแต่คนผู้ไม่สำรวมจิตตกเป็นทาตแห่งปัญหาแล้วมันถึงไม่คิดนะไม่คิดเข้ามาถึงความจริงตรงนี้มันคิดเห็นตั้งแต่ผิวพรรณวัตนถนะที่เปล่งฟังออกไปภายนอกนั่นเทียนไปสัมผัสกับตานั่นนะว่าสวยว่า ง, งามเท่านั้นแหละเห็นแต่แค่นั้นเลย มันถึงได้ติดถึงได้คล้องอยู่ในโลกอันนี้เป็นเปรตเป็นผีอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะมันติดมันคล้องอยู่ในสีในเสียงในแสงต่างๆในรูปประพันธ์สันฐานของสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยที่มีวิญญาณครองได้แก่คนได้แก่สัตว์อย่างคนบางจําพวกก็ไปชอบกับสุนัข เลี้ยงสุนัขไว้เอ้าไปไหนจูงเอาไปด้วยนั่นแหละบางรายถึงกับว่าต้องไปฝากเงินธนาคารนั่นเพื่อสุนัข ก, ก็มีเนี่ยมันผูกพันเนี่ยมันรักไปเห็นสุนัขบางชนิดเนี่ยขนปุกปุยขนนิ่มแล้วก็สีสันวันลนะกับเป็นไป ตามต้องการก็รักใครสัตว์เหล่านั้นเลยอืมจิตใจผูกพันอยู่กับอย่างมันสุนัขนั่นเอาพอตายลงจิตวิญญาณมันก็วกไปเวียนมาก็ไปเข้าท้องสุนัขเหมือนก็เกิดมาเป็นสุนัขเข้าไปนั่นแหละมันจะไปไหนอ่ะอ มันไปห่วงไปพอใจรักใคร่กับสัตว์จำพวกใดตายลงไปมันก็ไปเกิดเป็นลูกของสัตว์จำพวกนั้นแหละถ้ามันไปผูกพันกับบุคคลตายลงไปมันก็ไปเกิดในท้องของคนอีกเกิดมาแล้วก็เอามาทำทุกข์ให้แก่กันทั้งสองฝ่ายทั้งมารดาบิ ด, ดาทั้งลูก อาวมารดาบิดาก็ควนควายหาเงินทองเข้าของอะไรมาเลี้ยงลูกแสนทุกแสนยากแสนลําบากผู้เป็นลูกเกิดมาใหม่ๆช่วยตัวเองไม่ได้ก็แสนลําบากลําบนอาเมื่อพ่อแม่เลี้ยงเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วคราวนี้ก็เกิดตัณหาคือแก่กล้าขึ้นมาอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้รักสวยรักงาม รักความสนุกสนานาความสนุกสนานในโลกนี้ถ้าไม่มีเงินแล้วอย่าไปนึกว่ามันจะสนุกสนานนะ่ะอย่างนี้แหละต้อตงดินลนหาหมดเอาเดือดร้อนแล้วต้องไปหาเงินอีกตกลงว่า จิตใจที่ไม่รู้จริงเห็นแจ้งเนี่ยมันก็ตกเป็นทาสของกัรหาอยู่อย่างเงี้ยก็ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนั้นมันจะทุกข์ล้วนๆเสียจริงก็ไม่เชิงมันมีสุขเป็นเครื่องล้อใจให้ติด อ, อยู่นั่นแหละเช่นอย่าว่าเมื่อได้เงินได้ทองมาอ้าวผู้ใดชอบสิ่งของอะไรเอาไปซื้อเอามาใช้สอย ก็มีความสุขสบายไปเงินพอจะไปซื้อรถจักรยานยนต์มาขี่อย่างนี้ก็ไปซื้อเอามาเมื่อได้ขี่รถนั้นไปสู่จุดหมายปลายทางได้ทันท่วงทีก็สบายใจไปอันนี้แหละความสุขอันนี้แหละมันลอ่อจิตให้ติดอยู่ในโลก น, นี้ความสุขชั่วคราวนี่แหละให้พิจารณาให้มันเห็น แล้วบรรดารถต่อนั้นนะมีทั้งคุณดังโทษถ้าเผลอๆแล้วไปตกลงหลุมบ่ไปทนต้นไม้ตัวเจ้าเองเจ้าของรถก็ตายรถกับปลนลปี้ไปมีอยู่ท้อไปบางทีถูกโจรมันดักยิงเอาอยู่ที่เปลี่ยวเปยวยิงเจ้าของรถตายลงเวลามันก็เอารถหนีไป คนเราไปมองเห็นแต่คุณของมันรถนั่นโทษของมันมองไม่มองไม่พิจารณาเพราะเหตุ น, นั้นมันถึงดิน่นหาเงินอยากได้รถมาขมี่อะไรๆเหมือนกันสิ่งใดมีคุณอนันต์สิ่งนั้นก็มีโทษมหันในโลกในโลกสงสารอันนี้เราต้องเพ่งพิจารณาให้มันเห็นนอกจากการเพ่งพิจารณาดูร่างกายนี้แล้วก็ เท่งดูสิ่งที่มันเกาะมันคล้องนั้นน่ะให้มันเห็นตามเป็นจริงลงไปแล้วมันมันก็จะคลายความยึดความถือความผูกพันได้เมื่อมันคลายออกไปได้แล้วอย่างนี้จิตใจมันก็โหดเข้ามาอยู่ในปัจจุบันนี่มันก็สงบนิ่งอยู่ได้แล้วเพราะมันไม่อยากแล้วนี่มองดูอันใดมันก็ไม่น่าอยากได้เลยแบบนี้ มันก็หดตัวเข้ามาสงบนิ่งอิ่มอยู่ภายในนี่เมื่อทำใจให้สงบนิ่งอยู่ไดนี่มันก็แสนสุขแสนสบายเลยแบบนี้ก็เมื่อมันไม่อยากได้อะไรแนละ้วมันจะเป็นทุกข์อะไรเราคิดดูใจของคนเหล่านี่นะอันมันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะมันอยากได้ น, นั่นแหละเมื่อมันอยากได้แล้วมันก็คิดปรุงแต่งอยู่งนั้นนะ่ะ เมื่อคิดไปแล้วไม่สามารถจะหาเอาได้ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เป็นอย่างนั้นพิจารณาดูให้ดีเรามาทำใจนี่นะทำเป็นกลางลงไปให้ได้แล้วผู้ใดทาใจให้เป็นกลางให้สงบลงไปได้แล้วถ้าเป็นนักบวชบวชอยู่มันก็ไม่สึกเลยถ้าเป็นนักบวชบวชมาแล้วมันก็ไม่สึก มันจะสึกไปเอาอะไรล่ะเพราะมันไม่อยากได้อะไรนี่มันอิ่มอมองดูอะไรแล้วมันก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ายืน่นชืนชมยินดีเพราะเห็นเจ้ของไม่เที่ยงเห็นเจ้ของสุก็ปลกไม่มีอะไรสวยงามแล้วก็ทั้งไม่เที่ยงด้วย อ, อย่างนี้นะแม้เป็นคฤหัสน์ก็เหมือนกันนะถ้าทำใจสงบลงได้อย่างนี้ อย่างน้อยมันก็จะมองเห็นบาปได้มองเห็นการกระทำบางสิ่งงอย่างมันเป็นบาปเช่นอย่างพูดถึงเรื่องกรรมเนาะการไปล่วงประเวณีในสามีหรือในภรรยาของคนอื่นนั่นมันเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้เมื่อใจเป็นสงบลงแล้วมันก็พี่นาเห็นว่ามันเป็นบาปจริงมันก็ไม่ไปล่วงกรรช า, ชารเมสุวิชจานนั้น ก็ยินดีอยู่ในแค่สามีหรือภรรยาของตนมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรสำหรับผู้ครองเรือนนะมันกิเลสนี่มันก็เป็นชั้นๆอย่างนี้แหล ะ, ะบางชั้นมันก็ถึงแม้มันยังยั ง, ยงมีอยู่ในใจของคนมันก็ไม่ไม่ให้เป็นไม่ก่อให้เกิดเป็นบาป อ, อย่างนี้หละแต่กิเลสบางอย่างเมื่อบุคคลไม่ รู้เท่าไปล่วงพุทธบัญญัตินั่เข้าไปก็ขี้เล็ดเหล่านั้นก็พาให้เป็นบาปแล้วบันนี้น ะ, ะนั่นแหละแล้วมันความอยากมันท่วมท้นจิตใจแล้วมันก็เป็นเหตุให้ไปฆ่าสาัตว์นั่นแหละพูดอง่ายๆน ะ, ะนั่นนี่เป็นเหตุได้ไปลักทรัพย์ไปจี้ไปป้นเอาของเขามาไปหลอกลวงเอาสมบัติฝืนมาเป็นของตน ไปลักเอาพอเจ้าของเขาเผลอเผอมองหน้ามองหลังไม่เห็นเจ้าของแล้วก็ช่วยเอาไปเลยมันมีคนบางคนบางพวกได้ของเล็กๆน้อยก็เอาอย่างนี้นะไม่ถึงกับของมากของมีราคามากอะไรหรอกก็อ่าไปนึกว่าไม่เป็นบาปแม้จะเป็นของไม่มีราคามาก ก็ตามแหละขึ้นชื่อว่ามีเจตนาที่จะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตให้ไปอย่างนี้มันก็เป็นบาปเป็นโทษเหมือนกันนะบางคนมันเข้าใจหยาบๆไปอ่ของเล็กน้อยเท่านี้ไม่เป็นไรดอกเขาไม่เสียดายอะไรเท่าไหรดอกคงไม่เป็นบาปกรรมเท่าไหร่คิดเห็นอย่างนี้แล้วถือเอาของเขาไปก็มีนะ อย่างนี้นะเมื่อเข้าใจผิดอ่ะอันกฎหมายบ้านเมืองอ่ะต้องคิดดูแม้ตั้งแต่ผักเส้นหนึ่งขึ้นไปแหละไปเด็ดเอาของเขาถ้าเขาไม่อนุญาตนะถ้าเขาเอาเรื่องแล้วมีผิดจริงๆนะถ้าไม่ิดตารางก็ถูกปรับอนั่นเอย บางทีก็ติดตารางสามเดือนแม้ในทางศีลธรรมก็เหมือนกันนะแม่จะผลัดยอดเดียวถ้าถ้ารู้ว่าเป็นของมีเจ้าของอยู่แล้วเจ้าของเขาก็ไม่อนุญาตให้เลยนี่ไปเด็ดเอาก็เป็นบาปเหมือนกันนะออย่าไปเข้าใจว่าเธอจะไปไปถือเอาเงินร้ อ, อยเงินพันเงินหมื่นของเขาเท่านั้น <c oughs> ให้พากันเข้าใจให้มันละเอียดการรักษาศีล น, นะ <c oughs> ถ้าเข้าใจไม่ละเอียดอย่างนี้แล้วมันก็ทำศีลขาดอยู่เรื่อยไปนั่นแหละคนเราว่าผู้นั้นตั้งใจรักษาศีลเถอแต่แล้วก็รักษาได้แต่ส่วนหยาบๆนั้นส่วนละเอียดเข้าไปกว่านั้นรักษาไม่ได้อ่างนี่แหละดังนั้นนะให้พากัน พาวนาเพ่งเข้ามาดูอัตภาพร่างกายอันนี้แล้วมันจะเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษขึ้นไดโดยตนเองเลยทีเดียวอะเห็นบาปว่าเป็นบาปจริงๆเลยเมื่อใจมันสงบใจผ่องใสขึ้นมาแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วน ะ, ะเห็นบุญก็ว่าเป็นบุญจริงๆเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอะ ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสรฐแล้วบุคคลผู้ไม่ได้พบพุทธศาสนานี่จะเป็นคนหลงคนเมาอยู่งันตลอดชาติตลอดพบไปเลยจะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไระตลอดถึงอริยสัจจะทม ท, ทั้งสี่ยิ่งห่างไกลเลย มแม้แต่บาปบุญคุณโทษยังไม่รู้แล้วจะไปรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละผู้ที่จะมารู้แจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสีน่นี่จะต้องเป็นผู้ละบาปบำเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นในใจสะกก่อนมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ายังไม่ละบาปแล้ว ปล่อยให้บาปครอบงำจิตใจใจมืดมัวนภการอยู่นี่นะแล้วมันจะไปรู้แจ้งในทุกข์ในเหตุให้เกิดทุกรู้แจ้งในความดับทุกขรู้แจ้งในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขได้อย่างไรอะ่ะให้พากันเข้าใจตามที่แนะนําสั่งสอนมานี้อชีวิตนี่มันมีปัญหานาะ อย่าไปเข้าใจว่าตนเกิดมาลอยลอยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรมาปรุงแต่งบุคคลผู้หลงผู้เมาแล้วแล้วลเข้าใจว่าชีวิตนี้เกิดมาลอยลอยไม่ใช่มีบุญบาปอะไรตามมาตกแต่งมันเกิดเองเป็นเองของมันต่างหากผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ทําบาปทํากรรมไปได้เลยอืม ทำความชั่วไปโดยไม่รู้ว่าต น, ตนทนทําความชั่วแหละเรื่องมันนะแล้วก็ทําความดีไม่ได้เหมนี้เพราะไม่รู้ว่าความดีนั้นทําไปแล้วมันมีประโยชน์แก่ตนอย่างไรอย่างนี้นะมันไม่รู้นี่มันจะไปทําความดีทําไมล่ะฉะน้นอย่างให้ทานอย่างนี้นะเมื่อมันมองไม่เห็นผลแห่งทานแล้วมันก็ไม่ทําอ่ะทําไปทําไมทําทานไปเสียเปล่า ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุคคลพวกนั้นก็ทำความดีไม่ได้เลยชีวิตก็อับเฉาเหมือนพระจันทร์ข้างแรมมีมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันสำรวจกลดกลาดูกายวาชาใจของตนให้ได้ว่าตน ตั้งใจละบาปมาหรือเปล่าในชีวิตเกิดมาในโลกอันนี้นะหรือไม่ได้ตั้งใจเลยเพียงแต่อยู่ไปตามยถากรรมเมื่อไม่ถึงเวลาจะทำบาปก็ไม่ทำเท่านั้นเหรอมื่อถึงเวลาจะทำบาปมาก็ทำมันลงไปไม่ได้ถือว่าอันการทำบาปนั้นมันจะอานวยผลให้เป็นทุกข์อ่ เป็นอย่างนั้นหรือนิสัยอ่ะลองสังเกตตัวเองดูถามตัวเองดูถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะละบาปบมเพ็ญบุญเลยถ้าเป็นชาวพุทธแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตใจของตนเป็นไปอย่างนั้นควรจะตั้งใจลงไปตามคำสอนของผู้เจ้า ว่าเราจะละบาปต่อไปเนี่ยจริงได้เป็นบาปเราจะไม่ทำแลวต่อตอนนี้ไปเราจะตั้งใจทำแต่บุญกุศลไปเรื่อยๆแท้จริงแล้วคนเราทำบาปนี่ก็เพื่ออาชีพนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเทนี้เมื่อตอนเองมีปัญญานะสามารถแสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบได้แล้วไม่ค่อยได้ทำบาปหรอกคนเรา เช่นทำนาทำสวนทำการค้าขายมูนี้นะถ้าเราทำโดยทางสุจริตไม่ให้ผิดศีลผิดธรรมแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปแหล ะ, ะก็ได้เงินได้ทองมาแล้วก็มาทนุบำรุงวัดวาสานาไปบำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นไป อย่างนี้ก็ไม่ได้ทำบาปเลยคนเราเขามีอาชีพบริสุทธิ์แล้วไม่ทราบว่าะทำบาปเพื่ออะไรบานออีถ้าจะทำก็ทำเพื่อกามเนอ้อกามาคุณนั่นแหละการไปเล่นชู้จากเมียเล่นชู้จากผัวอันนี้มันก็เป็นกามมาตัญหาอันหนาแน่นหรือการดื่มน้ำเมาคือธุราและเมรัย อันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอาชีพหรอกเพราะว่าบางคนไม่ดื่มก็อยู่ไปได้แต่บางคนนี่ไปดื่มมาจนติดเมื่อติดแล้วไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้เลยเงินทองหามาได้เท่าไหร่ก็เอาไปซื้อของเสพติดให้โทษนั่นแหละมาสูบมาดื่มมากินอย่างนี้นะ เนี่ยเรื่องอาชีพเรื่องปากเรื่องท้องของคนเรานี่นะเมื่อจิตใจนี้ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วมันก็ไปทำบาปเพราะปากเพราะท้องเพราะร่างกายนี้แหละให้พากันเข้าใจเมื่อผู้ใดามาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายนี่เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแล้ว ทั้งไม่ทั้งไม่สวยไม่งามทั้งสปกปรกโสโครกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมันจะงามได้ยังไงสีนะลองอย่าไปอาบน้ำชำะระร่างกายลองดูสักเจ็ดวันสิบห้าวันลองดูสิร่างกายอันนี้มันจะคล้ำเข้าไปเลยงวหมองเข้าไปเลยหลือยิ่งกว่านั้น่ะ ตายลงจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะอย่าเอาไปเข้าหีบเข้าลงเอาทิ้งไว้กลางแก้งลองดูสิสามวันขึ้นอืดแล้วทงกลิ่นเหม็นแล้วไอ้ผิวพรรณวันละนที่เปล่งปลั่งมาแต่ก่อนนั้นหายไปหมดเลยมีแต่จะดำคล้ำเข้าไปสีเขิวเข้าไปในที่สุดก็แตกและลายนำเหลืองไหล ออกไปอ่ไม่มีอะไรสวยงามสักหน่อยเดียวเลยเราต้องมันพิจารณาร่างกายนี้ให้ถึงความจริงของมันอย่างนี้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะผู้เจริญกรรมฐานภาวนาน่ะอย่าไปละเลยเรื่องการเพ่งพิจารณาร่างกายนี่ ถ้าพวกรล่าเลยแล้วมันก็ถูกราคาตัญหาครอบงมจิตใจยิ่งเป็นนักบวชเรายิ่งร้ายกาจเลยถ้าไม่ได้พิณาร่างกายอันนี้แล้วถูกราคาตัญหาครอบงมจิตใจเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปได้ถ้าประพฤติไปก็จะล่วงวินัยอันร้ายแรงเช่นปาราชิกสีสังฆาทิเศษที่สามเนี่ย ท่านเรียกว่าอาบัติหนักมันจะล่วงไปได้เลยถ้าผู้ใดรู้อำนาจแก่ราคะตัณหาอันนี้มีความกำหนัดแรงกล้าในรูปในเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ละ่ะเป็นเหตุให้ล่วงเจ้ขาบทวินัยน้อยใหญ่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พากันเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ เสมอเสมอไปอย่าไปท้อถอยเอา้าจิตนั่นมันจะไม่สงบว่างก็ไม่เป็นไรว่าแต่เราตั้งสติน้อมเข้ามาหาร่างกายอันนี้นะมาเพ่งดูร่างกายอันนี้เข้าไปถ้าเผลอเผ อ, เอจิตมันคิดออกไปนอกกายรู้ตัวแล้วก็เอาตั้งสติเพ่งไหมอยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อเราเพียรพยายามเพ่งอยู่ไม่ท้อไม่ถอยอย่างนั้นมันจะเกิดอุกขานิมิตขึ้นมาคือเมื่อเพ่งเข้าไปภายในนี่นะกระแสะจิตมันจะสว่างจะปรากฏเห็นร่างกายนี่เป็นของเน่าของเปื่อยของปุพังอย่างสิว่านั่นเลยมันจะเห็นขึ้นมาในใจการเห็นอย่างนั้นท่านเรียกว่าอุกขานิมิต นิมิตติดตาเนวตาในนะนั่นเนี่ยถ้าบุคคลใดไม่มันเพ่งเข้ามาในกายนี่แลอุกหะนิมิตอย่างว่านี่จกไม่เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นผู้ง่ายๆว่าอสุภานิมิตจกไม่เกิดอคือเครื่องหมายว่าร่างกายอันนี้มันโสโครกสุกปกนี่นะมันจะไม่ปรากฏในจิตใจ มันจะเห็นแต่ว่าร่างกายนี้สวยงามไปเรื่อยๆอมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผู้นั้นถึงแม้เป็นนักบวชก็จะเป็นผู้เศร้าหมองเรื่อยไปอบวชมาแทนที่จะได้บุญกุศลจะไม่ได้บุญกุศลกับเพื่อนเลยแล้วปล่อยให้ตาราค่าตัญหามันเผาจิตใจให้ เร่าร้อนอยู่อย่างนั้นปล่อยให้ราคะตัณหาเผาจิตใจเร่าร้อนอยูนน่นั่นนั่นแหละมันเป็นบาปเป็นอกุศลให้เข้าใจที่ทานเรียกว่ากามวิตกนะมันเป็นอกุศลวิตกอกุศลวิตกสามอ่ะกา ม, ว, กามวิตกกามวิตกพยาบาทวิตก วิ่งสาวิตกนางที่เคยอธิบายให้ฟังมาแล้วนั่นเนี่ยมันเป็นอคุศนวิตกเพราะฉะนั้ น, นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเจริญกายานุปัฏนาสติปัฏฐานนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในตนไม่ว่าครืงหัดไม่ว่านักบวชสมควรเจริญได้ทั้งนั้นแหละ เพราะว่าทุกคนนะมันรแต่เป็นธาตุแห่งสัณหาราคะนี่ทางนั้นเลยบางคนพี่ครองเลือนนะถ้าจะมาพิจารณาอสุภะคำมัมยานี์กลัวว่ารสแห่งความรักมันจะไม่อร่อยเลยไม่สนใจมาพิจารณาเลยกลบมันเอาไว้นังที่การแต่งเนื้อแต่งตัว เอาน้ำอบนำหอมมาพรมเข้าใส่ตามผ้าปอนตามผมเผ่าตามตัวมูนี้แหละใครเดินเข้ามาใกล้แล้วกลิ่นน้ำอบนำหอมพุ่งเข้าไปใส่จมูกโอ้นั่นเป็นการหลอกคนให้มารักตนอ่ะมันเป็นอย่างนั้นคนเราอ่ะ ให้คนทั้งหลายเขารู้สึกว่าแม้คนนี่หอมดีนะวที่ไหนได้น้าอบน้ำหอมจังฮะพอไปไฟหน่อยหนึ่งมันก็ละเหยไฟเมื่อเมื่อน้ําหอมอันนั้นมันละเหยกลิ่นมันหอมมันลเลยไปแล้วกลิ่นธรรมดาของมนุษย์มันก็ออกพุ่งออกมาเท่านั้นเองมันจะมีอะไรล่ะอันนี้จะไปหลงอะไรกันน ถ้าว่าเพ่งพี่นาให้ถึงความจริงแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแล้วนี่มันไม่มีอะไรน่ารักน่ายินดีแหละรูปกายอันนี้นะถ้าถ้าไม่เป็นเช่นว่านี่พระพุทธเจ้าก็จะไม่สละราชสมบัติออกไปบวชเลยเพระองค์ก็จะติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นตนะลอดชีวิตไปเลยทีเดียวและแม้ ผู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็สละบ้านเรือนออกบวชตามพระ อ, องค์เป็นสาวกของพระ อ, องค์ถ้ามีอยู่มากมายกายของทงั้งหญิงทั้งชายก็พอมาพิจารณาเห็นร่างกายไม่มีสาระแกนสารอะไรนี่แหละถ้าผู้ที่ออกบวชไม่ได้ก็ตั้งอกตั้งใจทำข้อว่าปฏิบัติของผู้ครองเรือนให้สมบูรณ์บริบูรณ์ โดยความไม่ประมาทอุปถรัรมภ์บำรุงวัดบาศาสนาไปเพื่ออบรมอินทร์บา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นเมื่ออินทร์บา ร, รมีแก่กล้าขึ้นไปแล้วก็จะเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายต่อชีวิตต่ออัตภาพร่างกายอันนี้ในภายหลังก็จะเป็นเหตุให้พ้นทุกข์พ้นภัย ในวัฏฏะรงสารได้บุคคลผู้ปิยบรลรูล้ถึงตึ้งพระนิพพานได้นั่นก็เพราะเจริญพระกรรมฐานเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายนี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นไปก่อนเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกไปเมื่อคลายความกำหนัดยินดีออกไปได้จิตก็บิมุตินะ หลุดพ้นจากอาสวะทีเลมเป็นอันได้บรรลุอัมมวิเศษคือมรรคนิพพานดังแสดงมา